ใาสถานที่วัดอพวั น, นั้นทั้งฝ่ายบรรพชิตผู้บวชในประสาทนาอิสุชงองเนนและฝ่ายฆรวาดอันเป็นอุบาสกปฏิกายืนยันรับรองเคารพภูชาพระสนาใจและบางเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเป็นการช่างบารมี เห็นได้ชัดเจนที่เรามาปฏิบัติทานั้นก็ต้องมาสร้างบารมีสร้างความเพียรสร้างความพิจารณาตนสร้างผลให้เกิดประเสริฐในบุญกุศลที่เราตั้งใจมาทุกประการการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ไม่ใช่ทาได้ง่ายเลยทำได้ยากมาก ไม่อยากทำได้ง่ายหมายความอะไรมาแล้วก็ทําทําไปโดยที่ว่าจําใจและจําเป็นแต่จะทําด้วยศรัทธาและแท้จริงยากมากตรงนี้เป็นจุดสําคัญอันหนึ่งที่เราควรพบแต่เห็นเขาทาบุญเราก็ทําตามเขาไปเห็นเขามาเจริญพระกัรมาฐานก็ตามเขามา จเจริญบ้างไม่จเจริญบ้างได้บ้างเสียบ้างถูกบ้างผิดบ้างเราก็มีชาบิจะจะผิดถูกประการใดก็ตามขอให้ ท, ทําด้วยความตั้งใจจริงแสดงออกมาในจิตใจของท่านนั่นแหละท่านจะรู้ว่าตัวบุญคืออะไรตัวกุศลคืออะไรถึงจะที่ฐานจิตขึ้น พระพุทธเจ้าสอนว่าชัดเจนแล้วแต่ก็ต้องพิจารณาตนอีกเหมือนกันเราทาไมไม่เหมือนเขาเขาทําไมไม่เหมือนเราเพราะว่าบา ร, รมีมันแตกต่างกันไปจากการบาเพ็ญ น, นี่เองการบาเพ็ญเพียรการตั้งสติตั้งอารมณ์ตั้งกุศลตั้งว่าให้มันถูกต้อง ถ้าตั้งผิดที่ทำความดีผิดทางจะไม่ได้ผลจะมาสร้างกุศลก็ไม่ได้ผลกับเขาทำตามกันมาตลอดแต่บางท่านก็ดีรู้มัง่งไม่รู้มัง่งแต่ทำด้วยความตั้งใจจริงแสดงออกให้เห็นชัดทานบารมีศีลบารมี ภาวนาบรารมีอันนี้สำคัญทานบรารมีตัวนี้เนี่ยเราจะได้ผลก็ต้องมีบรารมีขั้นตอนเราไม่มีบรารมีไร้วัสนาขาดบุญแล้วท่านจะสร้างไม่ได้ผลท่านจะทำไม่ได้ไประโยชน์จะพึงได้น้อยนะน้อยมากมันอยู่ตรงจุดนี้เป็นจุดสำคัญ ศีลและบารมีก็คือกรรมาฐานฐานบารมีก็คือกรรมาฐานภาวนาบารมีสร้างกุศลบุญยาศีนเนกขัมมะปฏิบัตินี้ก็เรียกว่าเรามาสร้างบารมีกันมาบำเพ็ญเพียรกันสร้างใจที่จะสู่จุดมุ่งหมายของคุณระศีลัตนาตรา ย, ยึดเหนี่ยวทางใจให้แนบสนิทติดในหัวใจ บารมีถึงจะเกิดธรรมะไรถึงจะประเสริฐอธิฐานถึงจะขึ้นถ้ามิใช่เป็นเช่นดังกล่าวแล้วอันจะไม่ได้อะไรติดตัวท่านไปเลยคำว่าบารมีในที่นี้นับแปลั้งสามชั้นบารมีเบื้องต้นก็คือต้องบำเพ็ญเพียรบำเพาา็ญตบะสร้างความเพียรให้แนบเนียนอยู่ในจิตใจ พยันมันเพียงสร้างความดีให้กิดตนพยายามอย่างยิ่งจะสร้างตนให้เกิดผลด้วยความเพียงของตนทุกประการหนุนบารมีเัิงกลางทําแล้วได้ผลหมายความว่าบารมีเต็มเตี่ยมเพียบพร้อมทั้งทานทีลภาวนาทั้งสามอย่างครบในบารมีของตนแล้วจะทําอะไรก็ได้ผล ทำอะไรก็ได้กุสอนจะนึกอะไรก็ได้ตามที่นึกคิดไว้ที่ความถูกต้องคุ้ตนนั้นจะทิฐานจิตจะทำอะไรก็ไม่พลาผิดทําแล้วก็ถูกต้องบาลมีก็จะช่วยตนเองที่เราได้สร้างสารมาหลายครั้งชาติหลายชาติหลายอดีตเราสร้างมาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลานานมาก แต่เราก็ไม่ทราบว่าเราสร้างอะไรกันมาสร้างบุญหรือสร้างบาปก็เราก็ไม่ทราบแต่เรามาเจริญสักกรรมาฐานเดี๋ยวท่านจะทราบเองว่าเรามีบา ร, รมีไหมมีความเพียรไหมตั้งใจเจริญกุศลภาวนาแท้จริงหรือประการใดเดี๋ยวก็แจง้งแ่ใจเราเป็นปัจจัตตังเกิดขึ้นเฉพาะตน ตนเน่ยของตนนี้เนะ่ยเป็นที่ทราบเป็นที่เข้าใจของตอนแต่เราจะสร้างบารมีความเพียรแห่งความดีอันนี้ทำยากไอ้จิตนี้มาเลียวแหลกแตกล้านมันค่อยจะมากระซิบให้เราทำชั่วมากระซิตให้เราไปหาสแสวงหาสิ่งที่เลวร้ายและไร้สาระมันจะแย้งตัวเองเสมอแต่เราจะมีขันติบารมีเพิ่มขึ้น คือความอดทนเราถึงจะสร้างผุศสนเป็นบารมีอันนั้นได้แต่เราไม่มีขันติบารมีผุ้สนที่มีก็ถลายหายไปบุญที่มีอยู่ก็หายไปเพราะอะไรเพราะไม่มีขันติบารมีไม่มีความอดทนสร้างผุศสนนั้นไม่ได้จึงจะมีศรัทธามากมายไกลกองอย่างไรจะ่ขาดความเพียร ขาด บ, บารมีเบื้งต้นแล้วท่านจะไม่พบบรารมีชั้นกลางบรารมีชั้นกลางเนี่ยหมายความว่าเข้าถึงกุศลมแล้วท่านจะทำอะไรก็อดทนอดกลร้อดออมปฏิปนอมยอมความท่านจะทำอะไรไปแล้วกว็หนักก็เอาเบาก็ต้องสู้ความรู้จะเกิดขึ้นความรู้ตัวนี้คือความรู้ในปัญญา หลอบลูในเหตุผลข้อเท็จจริงในตนเองจะรู้ว่าตนเองทำอะไรอยู่นะบัดนี้ได้กำไรหรือขาดทุนมันจะรู้ว่าบาลมีชั้นกลางไม่ใช่บาลามีชั้นตนเราจะรู้ว่าวันนี้เราขาดทุนอย่างน่าทิด้ไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนเลยเราจะรู้ขาดทุนอย่างด้อยยับมันจะแจ้งแกจิตของเราได้ ด้วยบาลมีอันนี้จึงเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะเราเป็นผู้รู้ทํางานคนอื่นหาได้รู้ใหม่ผลงานในชีวิตนี้เนี่ยคือเป็นบารามีที่เราสร้างมาในวันนี้ยกตัวอย่างในวันนี้เป็นต้นตั้งแต่เช้ามาถึงขณะปัจจุบันนี้เนี่ยท่านทําอะไรมากมันจะแจ้งให้เราทราบ ว่าเวลาการที่ผ่านพ้นและก็ผ่านเป็นครั้งอดีตไปแล้วขณะนี้ปัจจุบันเราก็จะได้รู้เลยว่าอ๋ออดีตมาเช้านี้เราเดินจงกรมนั่งภาวนาแล้วกุศลก็จะสร้างอดทนต่อเวทนาอดทนต่อการเพียรที่เราสร้างเวียนเข็นขวายมณะบากบันตลอดรายการอดทนต่อเหตุผลเหล่านั้น นี่แหละเป็นบารมีชั้นกลางเราก็จะสะสมบุญเข้าไว้สะสมไว้สิ่งละอันพลันน้อยก็เกิดผลมากขึ้นเหมือนหยาดน้ำใส่ตุงมมันเต็มเราก็จะรู้แจ้งกระจายว่าอ๋อเรามีบารมีได้แล้วทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเกิดเนคขัมมะปฏิบัติจิตก็สงบ ทันจะปลาลบรมของท่านได้จะไม่แสบไม่ทางชั่วอีกต่อไปเราก็แจ้งกระจายว่าวันนี้เหนื่อยมากแต่เช้าสร้างบารมีมามันก็เกิดผลอา น, นิสงส์แปลว่าชื่นใจอา น, นิสงส์ตัวนี้แปลว่าดีใจอา น, นิสงส์ตัวนี้แปลว่าพอใจแล้วทีแล้วได้สร้างปาเมื่อเช้านี้สร้างมาเมื่อคืนนี้เป็นตน้น นี่แหลบารมีข้อนี้จากการปฏิบัติธรรมเป็นสายกลางบารมีชชิงกลางเนี่ยจะอธิษฐานขึ้นอธิษฐานให้ลูกดีมีปัญญาก็จะได้ผลออกมาอย่างนี้บางคนก็กล่าวให้ตั ม, มาฟังว่าไปแผ่ให้ลูกลูกก็ไม่เอาลูกก็ยังเป็นคนชั่วกิไม่เกียรเรียนหนังสือไม่อยากเรียน ตอบได้ทันทีเพราะท่านไม่มีบา ร, รมีพอที่จะสอนลูกท่านได้ความดียังไม่พอจะไปสอนลูกไม่เชื่อฟังก็เหตุใดเพราะแม่ไม่มีบา ร, รมีเลยสร้างความดีก็ยังไม่เด็ดีสร้างบา ร, รมีไม่เด็ดผลเพราะทำไม่ถึงขั้นดีจะจะเอาความดีไปแผ่ให้ลูกให้ลูกเชื่อฟัง ให้ลูกน้อมเอียงมาในทางที่ดีก็แสนจะ ย, ยากทําด้วยความลําบากไม่ใช่ของง่ายเท่าไหรนะักแต่กลายเป็นของง่ายของบุคคลที่ทําด้วยความตั้งใจบําเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาการเรียกว่าขันติบารมีทานก็เกิดขึ้นศีลอาจรวัตรก็เกิดขึ้นมีสติทุกอรัยบทสัมชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดรายการ จะปฏิบัติบ า, บารมีของตอนนี้มันอดทนอยู่ตลอดหนักก็เอาเบาก็ต้องสู้ตายให้มันตายจะได้เห็นผลออกมาอย่างนี้แปมต้ น, ต, นต่ทานขาดบารมีอันนี้อาจจะไม่ได้ผลจะที่ฐานจิตก็ไม่ขึ้นก็จิตมันว่างจิตมันว่างจิตไม่มีบุญจิตไม่มีกูสล ไม่ได้ตั้งใ จ, จเจริญกุศลภาวนาแต่ประการใดเลยท่านก็อ้างว่างเปล่าไปเปล่ามาไม่มีบารมีขาดวาชนากุศลก็ไม่ได้ความดีก็จะไม่ถึงจุดพิสุจน์ที่ก็ไม่เกิดขึ้นความไม่ได้พิสุจ์ก็หมดไปไหนเลยเราท่านจะสร้างบารมีอ น, นันตได้ก็คงจะไม่ได้ผลไม่ได้นิสงแต่ประการใด อันนี้บารมีขั้นกลางไม่ต้องขั้นปลายสามารถอธิษฐานขึ้นให้ลูกได้ดีได้ให้ครอบครัวมีความสุขได้บารมีขั้นกลางขั้นกลางเนี่ยอดทนสูงมีขันติอดทนจะเป็นสามีภรรยาหนักเอาเบาสู้ก็จะไม่ใส่ร้ายป้ายสีจะไม่ทะเลาะวิวาดกันสามีก็อดทน ภรยาอดทนสร้างกุศลร่วมการสามีภรยาเขาก็ไม่ทะเลาะวิวาทการเทพาะขันติทมอยู่แนบสนิทติดในผู้จัดบารมีก็เกิดขึ้นทานก็มาภรยาจะบำเพ็ญทานด้วยการมีสติสัมปชัญญะถ้าทานมีสติสัมปชัญญะแล้วทานก็มาเองทานคืออะไร ทานคือการให้ทานคือการช่วยทานอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเสียสละความชั่วออกจากตัวได้เสียสละสัญดานทิดถิมันนะเดิมให้มันหมดไปเสียสละอันนั้นออกจากตัวได้เรียกว่าทานบรารมีได้แต่เสียสละความชั่วออกจากตัวไม่ได้แล้วไม่เป็นบรารมีเลยบรารมีท่านจะไม่ได้ผน จะไปทำถวายฉงองทานอีกกี่ร้อยวัดท่านก็ไม่ได้พ้นก็เหตุใดท่านยังมีที่ถิมานะเพราะศีลาจารวัตไม่มีขาดสติในการทำทานขาดสมัญญะความรู้ตัวในทำทานกิจการก็ไม่เจริญรุ่งเรืองอันนี้จุดนี้ไม่มีใครพิจารณาแต่ประการใดถ้าท่านเจริญกรรมฐ า, านก็หมายความมีสติอยู่ มืสัมผัชั้นะอยู่กับตัวกําหนดจิตได้ควบคุมจิตไม่ได้อย่างนี้ก็ศีลบารมีศีลเกิดบารมีแล้วจะไปสู่สุคทิก็ได้ทรัพย์สมบัติก็เนืองนองก็ครองสมบัติโภคชาติก็นกนเนืองนองสมบัติก็มีขึ้นคุณธรรมก็เกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่าบารมีขั้นกลางเท่านั้นสามารถอธิษฐานขึ้นทางนั้น มันก็จะเกิดผลได้อันนี้สง์ประจำตัวของท่านเองอาจามีดีในตัวความชั่วคือเสียสละมันจะออกไปจากตัวเองไนดะ้เรียกว่าบาลมีเสียสละสร้างให้มีสติสร้างให้มีกุศลภาวนาเข้าไว้ในตนคือควบคุมจิตไว้ให้ได้ถ้าจิตอยู่แรงนี้เมื่อใดท่านจะขันติความอดทน กันจะมีแต่ความอดทนตลอดเลยการทำอะไรก็ไม่ไม่เหลวแหลกแตกลานใครจะว่ายังไงก็อดทนไม่ฟังเรื่องของคนอกุศลกรรมไม่ฟังเรื่องยากเรื่องมารไม่ฟังคนพาลไม่ฟังคนที่เหลวแหลกแตกลานก็ฟังแต่ปัญญาสตติก็จะดีทั้ปัจฉัญญาก็ดีกันจะทำอะไรก็สมเอตรมัผล ในส่วนตนและครอบครัวจะไม่พวนพัวอยู่กับที่อื่นแต่ประการได้นี่เรียกว่ากรรมฐ า, านต่างสามารถใช้ทานบารมีอันนี้ได้ทานการให้การช่วยทานแปลว่าสงเคราะห์ทานแปล ว, ว่านะวะอนุเคราะห์สงเคราะห์หมายความว่ากรลายหมายความว่าเขาไม่มีอะไรเลยช่วยเขาสงเคราะห์เขาอยางนั้น แต่เพื่อนของเราเขามีเงินมีทองเขามีข้าวของมากมายไก่กองแต่เขามีงานขึ้นเราก็ไปช่วยอนุเคราะห์ที่เขามีแล้วไปช่วยกันด้วยน้ำใจไม่ใช่หมายความว่าเขาจะอยากได้อะไรของเราแต่เรียกว่าอนุเคราะห์แปลออกไปอย่างนี้สงเคราะห์แปลว่าเขาไม่มีเลย เป็นโทษตายเขาไม่มีอะไรจริงๆอกสงเคราะห์เขาไปให้หีบอบให้ขดสารให้เครื่องครัวและให้เงินให้ทองไปใช้อย่างนี้แสดงว่าสงเคราะห์แปล ว, ว่าเขาไม่มีเลยแต่เขาเรานั้นมีแต่เรามนุษย์สั้งพันเราอยู่ร่วมกันบ้านท้องถิ่นเดียวกัน เอาไว้ไปน้ำพึ่งเรือเถือพึ่งป่าชาสายัยเราก็จิตคิดดูบ้างเขาก็ใจก็ไปอนุเคราะห์ช่วยเหลือเขาไปเอากายไปช่วยเหลือเอาจิตไปช่วยกันเอาสติปัญญาไปช่วยคิดมีปัจจัยก็ช่วยเขาเป็นการอนุเคราะห์ก็ฉะนั้นสงเคราะห์อนุเคราะห์จึงแปลไม่เหมือนกันสงเคราะห์แปลว่าทานเหล่านั้นไม่มีเหมือนจะช่วยเด็กเรียนหนังสือ ไม่มีสตางค์แม้ตังเดียวก็สงเคราะห์ให้มากแต่เขามีแล้วแต่ยังขาดเล็กๆน้อยๆก็อนุเคราะห์กันไปสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไปมันก็ได้ผลเป็นบา ร, รมีแห่งตนอีประการหนึ่งด้วยทั้งหลายบางคนไม่เคยสร้างบา ร, รมีเลยบุญก็ไม่อยากจะสร้างผุ้สนก็ไม่อยากจะทำกรรมชอบทำเนี่ยกรรมชั่ว แล้วเอาตัวไม่รอดอธิษฐานอะไรจะขึ้นหลับสาธิก ท, ท่านมีอกุดรละกรรมท่านจะอธิษฐานในเรื่องกรรมกรรมมันจะซักท่านในวันหนึ่งข้างหน้าตรงได้อธิษฐานขาวเป็นดำไม่มีกิจกรรมที่มีประโยชน์เลยอธิษฐานให้สำเร็จแต่ท่านมีอกุดชนลกรรมงานท่านจะไม่สำเร็จจะขาดทุนอย่างย่อยยับ ถ้าจิตขาวเป็นกุศลแล้วสร้างไว้ในตนมากมายไก่กองแล้วอธิษฐานขึ้นจะทำอะไรก็มีหน้ามีตาทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือสงเคราะห์นุเคราะห์ทั้งสงเคราะห์ด้วยทั้งอนุเคราะห์ด้วยทุกอย่างก็สามารถจะเป็นไปได้ตามทํานองครองธรรมอย่างนี้เป็นตน้น บารมีชั้นตนก็คือต้องสร้างให้ตนก่อนสร้างให้ตนก่อนคือทำความเพียรวิเยเยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเท่านั้นถ้าไม่มีความเพียรขวนขวายทนทุกข์ไม่ได้ล่วงทุกข์ไม่ได้อความสุขไม่ได้เลยแต่สร้างบุญมาเรื่อยๆสร้างกุศลเรื่อยๆทำตัวเองให้มีกลัง อย่าอยู่แบบแบบขาดทุนอย่าอยู่แบบขาดทุนาบบขาด ท, ทุนและบุญไม่ช่วยถึงคลาวม้วยก็จะต้องมวยมรณาแน่นอนที่สุดโลกภัยก็เจ็บเบียดเบียนก็ไม่มีใครจะช่วยต้องอาศัยบุญของเราเองต้องอาศัยกรรมดีของเราเองที่เราสร้างมานั้นจะช่วยตัวเองได้ได้แน่นอนที่สุดนอกเหนือจากนั้นไม่มีทางช่วยแนะ่ ไปพึ่งพาใช้ใครก็จะช่วยเหล่าขอฝากท่านปู่ปฏิบัติธรรมไว้ด้วยถ้าเข่าคันบารมีชั้นกลางอธิษฐานขึ้นหมดถ้าเรามีทุนบุญกุศลอยู่ในจิตใจท่านไม่มีบาปอยู่ในใจท่านไม่อิจฉาใครไม่ลิศยาใครมองคนใ้แง่ดีมองคนให้มีปัญญาคนเราเนี่ยมันก็มีดีมีชั่วไม่ใช่ชั่วไปชทั้งหมด อันแงดีเขาก็มีอยู่ไอคนที่เรลวๆเนี่ยมาชอบหาแง่คนที่เป็นแง่ร้ายมองคนในแง่ร้ายตลอดรายการเอาดีไม่ได้เลยตัวเองก็ต้องร้ายกลับมาหาตนเองเป็นกฎแห่งกรรมความร้ายจะไปหาตัวเองในไม่ชา้าต่อมาขอเจริญพรญาติพี่น้องจะไม่มองคนในแง่นั้นคนเราอาจจะมีดีกับเราบ้าง เราจะมานึกเขาว่าเราจะโกรธเขาอีคนนี้นางคนนั้นนายคนนั้นแต่มีดีก็เราเขาเคยให้ข้าวเรากินก็ เ, เคยอุปาการะเราเห็นจะโกรธกันไม่ลงแน่เกลียดกันไม่ได้แต่มยาอะไรให้มีความรักกันบ้างทําให้เขารักเราทําอย่างไรทําให้เขาเกลียดเราเนี่ยทําง่ายเหลือเกินทําง่าย ไม่ยากแต่ประการใดขาดกุศลขาดบุญเสียแล้วขาดบารมีแล้วไปไหนไม่มีคนมองหน้ามองตาแต่ประการใดจะมีแต่อกุศลกรรมไม่มีใครช่วยเหลือโมงก็ช่วยไม่ได้เราจะเห็นละครชีวิตของลิเกละครเก่าโมงแดงชาติเชื่อช่วยโมกดำวิญญาณช่วยได้โมกขาว ก็คือบุญกุศลที่เราสร้างอยู่ในบัดนี้ช่วยเราได้ช่วยตัวเองได้แน่มีสารักณนการสามโมกหรือชายประหลาดสวมหน้ามานั้นก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ไดจะมองไม่เห็นตัวเขามองเขาทำให้เล่นให้เราเห็นวันโ ม, <Yeah. S 1> มวิญญาณที่เราแผ่เมตตาแ ป, ปรตชนผู้ลวงหลับไปแล้วจู่สัประยภพสามารถช่วยได้แน่นอนช่วยได้แน่ คือโม่งดำคือวิญญาณช่วยพ อ, อพูดมาถึงตอนนี้นึกได้ก็ขอเล่าให้ท่านฟังมาสมัยหลายสิบปีมาแล้วมาสมัยหลายสิบปีทางยังไม่เจริญมีเช่นเดียวเท่านั้นยังเพิ่งเสร็จใหม่ๆทางสายเอเชียมีขัเนการผู้หนึ่งสามีภรรยาทำงานกระทรวงหมหาดไทยมีวิญญาณมาเข้าฝัน ขอใถาวายชันธานให้หน่อยเถอะเราจะไม่ลืมท่านเลยเราตกทุกข์ไดายา้ยากขอใถวายชันธานให้เราหน่อยพอพูดอย่างนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาปรึกษาสามีพระยาว่าอี่ฉันได้ฝันไปเมื่อคืนนี้ตอนตีสามขึ้นว่าวิญญาณมาเข้าฝันก็ไม่ทราบว่าเป็นใครบอกให้ทําบุญให้ทาน ถวายสังฆทานให้หน่อยเชิญสามีภระยาก็ปรึกษาหรือกันก็เอาเป็นโอขาวเถาหนึ่งหวานเถาหนึ่งไปถาวายวัชุทัตเจ้าพระคุณสมเด็จพรพุท ธ, ธาจารย์สังเงียมบ้านอยู่อยุธยาอันเดนมรณะพาไปนานแล้วรูจ้จักกตมาด้วยอันเป็นสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ สามสองสามภรรย์ภรรยาว่าถวายฉลองทานให้ใครเหรอนามีภรรยาบอกว่าฝันไปว่าเข้ามาเข้าฝันถวายฉลองทานให้หน่อยแต่ก็ไม่ทราบว่าปูา่ย่าตายายหรือจะเป็นวิญญาณใครก็มีทราบแต่ว่าคุณต้มเดจพุทธาจานวัชุทัตเทพวราลามอไดมรณนาพาไปนานแล้ว โดยสมเด็ดาจชาญชา์งเนียมบ้านอยู่ยุทธยาจะมารูจาา้จักกับทานดีท่านก็บอกเอาครวดน้ำนะจะให้พถนนรถ า, า, าที่งานอุปทานให้แกดวงวิญญาณเดี๋ยวนี้ถวายสังฆทานระยะฐานจับพีเสร็จอยู่เมาในเวลาสมควรของสามีภรรยาก็พักร้อดจะเดินทางไปเชียงใหม่รถตู้ทั้งครอบครัวสามีภรรยา เอาลูกไปด้วยลูกห้าคนพาก้อนจะพาลูกไปเที่ยวเชียงใหม่ในเวลาการสมควรนั้นก็ไปยังไม่ได้วแวะวัดอัปพวันเดินทางไปก่อนไปตีหนึ่งเลยจังหวัดตากเลี้ยวโคง้งจะเดินทางไปเถินผ่านไปเข้าชูลำปางตีหนึ่งพอดีมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ล้นบันดาล เขาไปรถสองคันรถเก๋งอีกคันหนึ่งพวกพ้องกันห้าคนแต่เขามารถตู้ออกหน้ามาเสียงประหลาดดังขึ้นในรถ ด, ดังในรถโชเฟอร์จอดชิดซ้ายโชเฟอร์จอดชิดซ้ายชิดซ้ายด้วยชิดซ้ายดวนดวนดวนแล้วด้วย ฝ่ายโชเฟอร์ก็ได้ยินนึกว่าเจ้านายหลับอยู่ข้างหลังจะลงไปเบาฝ่ายเจ้านายก็นึกว่าข้างนาพูดไม่รู้ใครพูดกันพูดหนักเข้าหนักเข้าก็โชเฟอร์ก็บอกเอ๊ะเจ้านายถ้าจะลงใบก็ชิดซ้ายจอดมุมรถทุงล่องมาสองพันชนแหลกเลยรถตามหลังมาตายหมดทั้งห้าศพคอขาดแขนขาดขาขาด ตายหมดเลยแต่รถตู้นั้นปลอดภัยมีทรงเขียนบุบไปหน่อยเดียวนี่แหละท่านทั้งหลายเอย่ยเลยเข้าไปเชียงใหม่พ้างแรมสองคืนกลับรุ่มใจพวกอีกคันหนึ่งตายหมดทั้งคันเลยก็ต้องจัดงานจบกันต่อไปไม่ต้องไปเที่ยวกันต่อไปแล้วเรากลับมาวัดภูวันก็เล่าให้ตา ม, มาฟัง ตามาก็บอกเออมงดำช่วยนะที่ท่านถวายชังอาถรรอ้เจ้าประคุณต้นเดชพุทธาจารย์ช่างเอียมวัตถุธาตเทพวรารามอเดชมรณะพาไปหลายปีนะตามารู้จักกับท่านดีแต่เคยมาที่วัดนี้ตอนยังมาเดชเป็นเจ้าประคุณต้นเดชพุทธาจารย์แต่ประการใดตามาก็เล่าให้ท่านฟังนั่นทานทานนามัยไม่ไมกัน การให้ทานกแกเป๋ะชนรุ่งลับไปแล้วตูทั้งบริยพพบก็มาเล่าให้ฟังอย่างนี้นั่นแหละวิญญาณช่วยแหลกถ้าไม่มีเสียงประหลาดดังขึ้นมารถชุงมันล่องมาสองคันรถกำลังไหวก็ต้องชนกันแหลกแตกล้างก็อาจจะตายหมดทั้งคันคันหลังตายหมดเลยห้าคนห้าศพรถชุงสองคันขยี้หมดเนี่ยนะท่านสาธุชนทั้งหลาย เป็นความจริงที่ผ่านมาวัดนี้ทุกประการมีบทความที่จะเล่าให้จันฟังน่คือโมงดำช่วยได้คือวิญญาณโมงขาวก็คือตัวเราบริสุทธิ์เจริญกรรมาฐานหลอดพ้นจากอันตรายได้โมงขาวบริสุทธิ์ช่วยได้โมงแดงก็คือเชื้อชาติของพ่อแม่ช่วยลูกได้พ่อแม่สร้างความดีให้ลูก ช่วยลูกได้รอดพ้นจากอันตรายและตายจากโรคได้บางอย่างบางประการโดยไม่โดยไม่สุดวิสัยไม่เหลือวิสัยจะประการใดนี่แหละท่านสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเห็นชัดก็กลับมาเขาบอกว่าขวัญหรืยี่ฟอหมดขอให้หลวงพ่อจะช่วยให้สิ้นให้พรว่าเขายังจิตใจไม่สบาย ไอ้พวกไปขันหลังหมดตายหมดเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปในราการเดียวกันไประหว่างทางเจอกันที่นครสวรรค์คุยกันรู้จักชอบพอก็ไปสายทางเดียวกันเขาก็จะต่างคนต่างไปไปเชียงใหม่เหมือนกันเลยตายใช้ระหว่างเลยจังหวัดตากไปเลียโคง้งนี่แหลเสียงประหลาดมันดังขึ้นมาจอดทัว์เฟอร์ชิดช้าด่วน เขาไม่เช็ดทรายจอดริมถนนเขาก็ต้องตายทั้งทันคือรถตู้นี่แหละท่านผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายเราปฏิบัติทำได้แล้วแผ่เมตตาที่จงโศดให้เปรตชนผู้ร่วงรับไปแล้วสู่ทั้งปริยภพใหญ่ผลอย่างแน่นอนจะเป็นปู่ย่าตาลุยายตกนรกหรือจะเป็นตาลยานเมตรเพื่อนร่วมชาติติดตายจากกันไปอาจจะไปอยู่เป็นเปรต อสุลกายที่ไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนอย่างพระสงฆ์ตายเป็นแปลอยู่ในวัดนี่คือหลงตาเฟือกยังอยู่จนบัดนี้ที่มาแ์หญิงบนเยี่ยมที่เห็นที่กุฏิกรรมาฐานมาขอส่วนบุญก็คงจะไม่ผิดพลาดวันนี้เราให้ท่านฟังทานทิฏภาวนาครบตามกำหนดรายการนี้เนะี่ยขอให้อุทิศห่วงกุ่สอนให้ไปจะชนร่วงรับไปแล้วจะเป็นท่านผู้ใดก็ตาม ก็เป็นสามโอเยื้อที่เที่ยวทองในวัตสทงสารไม่มีอะไรดีเท่าการเจริญกรรมฐ า, านทานสินะภาวนาเป็นหลักการสร้างบารมีกุศลบุญยาศีแล้วก็อุทิศไปจากบารมีขั้นกลางจาอธิฐานไปให้ปูก่กระยาตาขยายอาธิษฐานไปเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอธิษฐานจิตให้แรงกล้าด้วยอํานาจบุญที่สร้างกุศลที่ได้ทํา ให้ลูกได้ดีมีปัญญาให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญเถิดก็สามารถจะอธิษฐานไดน้แต่หากว่าไม่มีบุญวาสนาไม่ต้องอธิษฐานมันจะเป็นบาปจะเป็นกรรมแรงแค้นจะไม่สามารถจะแสนจะคิดจะจะไม่สามารถจะพิจารณาปัญญาของท่านได้นี่แหละวันเวลาล่วงไปเราทำอะไรอยู่การเจริญกุศลภาวนาดีที่สุดได้ ทั้งหลายอย่าได้ประมาทอย่าประมาทเกิดการกระทําของตอนทําอะไรละแวดระวังระวังจิตอย่าให้กลายเป็นพิษเป็นภัยระวังใจให้สงบปราลบธรรมทาให้เรามีสันติวิธีสร้างความดีในอารมณ์ของตอนตลอดการเจริญกรรมฐานยืนหนอห้าครั้งทําให้มันได้ในสติอยู่ก็จิตยังไม่มีใครทําได้เลย มีเด็กทาได้หลายคนจเจริญวัยชนะสาในการการทาของเขาบางคนไม่เอาเห็นแต่ตัวมากมายตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองเลยคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าไม่อนุโมทนาจำต้องการให้เราช่วยตัวเองให้ได้ฝึ่งตัวเองสอนตัวเองแล้วก็วันเวลาอย่าขาดทุนสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนท่านผู้ปฏิบัติมาบำเพนน็ญผล สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จเจริญกุศลภาวนาได้บุญได้กุศลก็แผ่แพร่ขยายถวายเป็นภารกุศลต่อสมเด็จญาต่อมหาบพิตรองค์มหาบพิตรพระอาจารย์ผานเจ้าเราก็ได้บุญมากได้บุญเกลียบเกลียมไว้ทุกวันแล้วก็สะสมไว้ทุกวันสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ไหว้พระแล้วเป็นการสะสมบุญแท้ ทำอะไรก็มีจิตใจเป็นกูลนล้วจะทิ่ฐานแล้วก็ขึ้นนี่บุญบาลามีชั้นกลางเราทำสูงสุดขึ้นไปถึงบริสุดใจเจิดเอากาคตาอันดับหนึ่งเรียกว่าบาลามีชั้นสูงไม่กลัวใครกล้าสร้างความดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลุ่งระแวงท่านภูใดจะอิจฉารทิ์ยาแต่ประการใด ท่านผู้ใดมีลมิบารมีชั้นชั้นสูงชั้นสามลาบลองจะใครมาอิจฉาคนนั้นได้ผลนเนี่แต่เข้าอาริยปวาอันต ร, รายจะเกิดอันต ร, รายในยุคใหม่ปัจจุบันทุกวันนี้บารมีชั้นสูงเรียกว่าบารมีแต่กล้าจะอิจฉ า, าเลยก็คืนจะแพ้เมตตาให้ใครก็ได้จะแผ่ตอนไหนก็ได้เพราะบารมีมันเต็มสร้างบุญกุศลมานาน สะสมไวมากมายหลายประการนั่นแหละบารมีจั้นสูงทานได้ถึงบารมีจั้นสูงแล้วสบายมากจะทำอะไรก็ได้ผลจะช่วยคนช่วยเหลือใครก็ได้ผลจะแผ่โนกุศลถึงใครก็ได้ถึงตอนนั้นนี่บารมีมีสามชั้นชั้นต้นคือตัวเราต้องอดทนต้องแต ก, กล้าต้องพยายามยังยิ่งเนตัวเอง บารมีชั้นกลางคือเต็มเนี่ยบารมีพอแล้วที่จะช่วยคนอื่นได้ช่วยพี่ช่วยน้องช่วยพอ่อช่วยแม่ช่วยลูกช่วยหลานได้บารมีชั้นสูงก็คือบารมีเต็มลาไม่กลัวใครไม่ลุ้งละแวงใครอาจจะสาย้ายปายสีก็ไม่กลัวทั้งนั้นนี่แห ล, ละบารมีชั้นสูงใครจะสู้ขอให้ท่านช่วยกันสร้างไปถึงท่านสามให้ได้ รับรองท่านจะทำอะไรก็ไม่มีทุกข์ไม่แต่ความสุขในชีวิตความสุขในชีวิตของท่านคือด้วยความสงบไม่ไปวุ่นวายกับใครไม่ไปสนใจกับคนความชั่วมัว่วอบายใดๆประการใดก็จะได้ผลอย่างสมค่าปัฒนายังได้ยกตัวอย่างให้ทราบแล้วเนี่ยบนช่วยอะ ถวายช่างอัฐิถวายเปตะชนวิญญาณช่วยได้นี่แหละโม่งดำช่วยได้เมื่อยังเล่นประลามประานิยายโบราณคือวันทองห้ามทับไม่ให้ลูกไปตายในสงครามโดยประหารชีวิตตัวเองก็ตายคือแม่วันทองโดนประหารชีวิตของพระเจ้าพันวสาแต่แล้ววิญญาณก็ออกไปช่วยห้ามทับไม่ให้ลูกไป เสียกลนสึกตายในสุครามก็สามารถได้นี่แาล ว, วิญญาณทั้งหลายเ อ, อ๋ยอยู่ในสากลภิพพ์ในโลกมนุษย์ทั่วไปแต่เราแพ่เมตตาอุทิศจงโคตรสอนให้เขาทุกวันทุกวั น, ว, นวิญญาณก็จะมาช่วยเราเปตชนที่ตายลมหายตาจากไปแล้วหลายชาติหลายตับหลายกันก็สามารถจะช่วยเราได้โดยเมตตาพรานี้อันนี้ อันจเจริญกุศลภาวนาเข้าขั้นตอนดังที่กล่าวมาด้วยเมตตาธรรมอันเป็นลึกซึ้งแก่จิตใจท่านอันจะมีแต่การแผ่ส่วนกุศลอันแกเปย์จะชนอันแก่เจ้ากรรมในเวรอย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมกระใครเลยโปรดอาโหติกรรมมาเชีอย่าไปต่อเวรต่อกรรมให้มันมีกรรมมีเวรกระทาไม่อยากให้มันแก่ตาเช่งถึงตายอมมาตาตายอย่างหน้าอาเนจนาฏ แถมตายกลางถนนทนนทางอีกมีมากหลายตามธัรมอุเวสีทองเทีย่ยวอยู่ในวัดตรทุงศาลหาประมาณบอกไม่ได้เลยนี่แหละท่านสาธิชนพระเถรานิเถระเรามาสวดมนต์ภาวนาถวายเป็นพลาจะพูดสอนต่อองค์มสมเด็จยระยาด้เสด็จดับขันธวนรคตรมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากหลาย อร่อยกระทั่งพระองค์ท่านหมาบอพิษราชทุมผ่านเจ้าก่อนนับว่าประโยชน์ใหญ่มหาศาลในโลกไิ่ใหครองลาถูทุมบัิทบ่้าดีประพันศาเราก็ถวายพระพรชัยมงคลทุกวันไม่ขาดนอกเหนือจากนั้นวันที่เก้าถวายราชกูศลนอย่างสูงจเจริญพระธรรมจากกระโปรงสูตร รวมปัจจัยไว้ถวายทุนชัยพัฒนารวมได้ล้านปดแสนเนี่ยก็คงจะสองล้านเศษแน่นอนเท่าที่เราคำนวณของเราเรารู้ของเราดีเรารู้บา ร, รมีของเราได้หรือเรารู้ว่าทุนเรามีเท่าไหร่ควรจะจ่ายเท่าไหร่ควรจะช่วยใครเท่าไหร่และควรจะเก็บไว้ในตัวเป็นแสงรหว่างบา ร, รมีของตอนเขียมไดยอย่างไรเราทราบของเราดี เป็นปัจจัตตังเวทกตบโพวินดูหิตขอท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใคร่ทำสัมมาปฏิบัติอย่าประมาทตายได้ตายอย่างหน้าอนาถาตายอย่างหน้าอนเนตอนาาแปวลว่าไร้สติขอให้เจริญกรรมาฐานไปจนชีวิตปลานจากโลกไปสู่สุขติปฏิกางฐานสามารถจะสาเร็จมรรคผลที่ตนตั้งใจไว้ทุกประการ ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายผู้ใจบุญสุนทานผู้ปฏิบัติกรรมาฐานดีที่ชดในบวรพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปยุ่งแย่หาเรื่องเลวร้ายในสังคมหาแต่เรื่องดีสร้างความดีสะสมให้แั่ตนไปทุกอยากน้ำข้างที่ล้อยจากนภากาศจะเย็นชาสร้างทั้งอารมณ์ทั้งกุศลในตน ด้วยน้ำพระคุณอุ่นเปล่าอันทํำคัญยิ่งคือบุญคุณต่อท่านมีบุญคุณอันนี้เป็นการุนุนาำตัวจะได้เจริญยศเจริญฐานเจริญจักรีนาธีกันนงานจะทำอะไรลูกหลานจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีมหาโโกรุสละจิตมีชีวิตแจ่าใสาในสังคมต่อไปข อ, ขอความสุขสวัสดีตรงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆกท่านและทุกท่านก็ตรงจเจริญธรรม สัมมาปฏิบัติในหน้าที่อันนี้เป็นการสะสมทุกวารจิตแต่ขอจงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาภละปฏิภาณธนาสารสมบัตินึกเคจริงเปรีการใดก็ขอให้สมมาตานาด้วยการทุกรูปทุกนามณโอกาสบัตินี้เทินยะ า, าวดิวาาผู้ราปาริผู้เลนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุกปกรปฏีอิจิตังปฏิตัตงตุมหังหรือปะเมวะสะมิจะตัสจะเพรโปรเณตูจังกับปลายจันโทปนาละโสยะทานมานิโทติละโสยะทาน I t u a n t t h s u ta uh -huh. สัตเทสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยปชา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย <c oughs> อั น, นี้ค่ <c oughs> จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตนางปริหะรันตุ จงมีความสุข ก, กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดน่งพระทิพปนมมือค่ะอีทังเมมาตาปิตุนางโโหตุสุขิตาโหตุ มาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทงังเมขรุปัชาาจาาปชายาจริยานังโหตุสุกิตาโหตุขรุปัจชายาจริยา ขอสวนวุนนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทงังสัพพเทวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพเพเวรินังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุขอิทังสัพพัส ต, ตานังโหตุสุขิตาโหตุสเพสั ต, ตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขคุ ข, ขัง อาลังสมาสัมปูโตพระว่าพุทธังพคะวันตังอภิวาเทสวาทโตพระวัตตาธโมธัมมังนิมมัสสัสุปฏิปันโนพระวัตโตสาวะกะสัมปูสัมพันนัง ทัมโมตัตตาโตตตานมสอมามนมสตัสุปฏิปโนภควโตชาวกัสสโฆสุปฏิปโน